อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ280 1. ิภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุถูกต้องเพราะไม่มีสติ 3. ภิกษุไม่รู้ 4. ภิกษุไม่ยินดี 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 7. ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา 8. ภิกษุต้นบัญญัติ